ชาติในประเทศกันหนึ่งเหมือนกันในพระญาติโยมพระภามก็เป็นวันพระคุณมามากแต่เทศธรรมะพื้นนเราจะเห็นกําลังของจิตเราเกี่ยบด้านภาวนาเราเห็นได้ชัดเจนในเวลาจวนตัวเข้ามา คือตามธรราจิตที่ไม่ได้รับการอบรมหนึ่งจิตไม่ได้สนใจในศีลในธรรมคุณงามความดีใดๆหนึ่งเวลาเกิดความทุกข์ร้อนขึ้นมาเขินเจ็บใครใด้ป่วยมีอาการหนักมากเท่าไรจิตยิ่งมีความระสําลสายหาที่เกาะที่ยึดลึกอะไรก็ไม่ได้ มีแต่ความชั่วเต็มตัวเมื่อมีที่เกาะจิดก็ไปเป็นอารมณ์กับความชั่วทั้งๆที่ไม่อยากเกาะความที่เป็นอารมณ์กับสิ่งที่ชั่วนั้นมันเป็นเรื่องเกาะอันแล้วพออารมณ์หายใจขาดไปเท่านั้นความชั่วมกับใจมันก็เป็นไฟเท้าไปเลยอันที่สอนใหสร้างความดี เวลาจําเป็นจิตใจต้องคว้าเช่นหย่างคนตกน้ำมันเองลงอ่างน้ําธรรมดาธรรมดาก็ไม่คว้าอะไรนะคนตกน้ําต้องคว้าเพราะกลัวจมน้ําตายอะไรผ่านมาไม่ได้เกาะหมดจิตใจเวลาจนจวนตัวก็เป็นเช่นเดียวกันนี่เราทําให้เราไปลึกย้อนหลัง ก่อนบวชแต่จวนจะบวชแล้วล่ะป่วยมันป่วยคัด อ, อกเนี่ยมันจะตายจริงในคืนวันนั้นก็มีแต่พ่อกับแม่นั่งดูเพราะตอนนั้นมันหลักมากมีแต่ว่ามันไม่เผลอตอนนั้นเองก็ธรรมดาไม่เผอก็เป็นไม่เผลอธรรมดา ไม่ใช่เราได้มีสติสตังด้วยการโอรลมอะไรเลยนะไม่เถอทราบเถ่เอมนนาการหนักมีจิตมันคิดนะนี่นี่เราตั้งใจว่าจะบวชนี่จะยังไม่ได้บวชเลยเลยทำไมคิดย้อนหลังถึงการสร้างความดีก็คิดไปเกิดตัางไปวัดไ่ว่าไปใส่บาตรกับผู้ใหญ่คิด ทำบุญตัก บ, บาตรในวัดอะาทำทให้คิดไปแต่ก็รู้สึกว่าไม่พอกับความต้องการบุญของเรามีน้อยถ้าตายในลานี้ก็บุญที่อยู่ทำไห้น้อยนี่มันก็คงไม่มีกำลังพอหวังเป็นเหมือนกับความอธิษฐานภายในจิต ขณะที่กำลังเจ็บหนักอยู่มันนอนอยู่มันไม่อย่างไรก็ขอให้หายเพราะเราตั้งใจจะบวชอยู่แล้วเมื่อหายวันี้ก็ไม่นานแล้วก็จะบวชวางแล้วก็หายส่วนจะหายด้วยการอธิษฐานหรืออะไรเราก็ทราบไม่ได้ทราบได้แต่ว่าหายแล้วก็ถึงได้บวช เวลาบวชมาประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันวันนี้ความที่เคยเป็นห่วงในเรื่องบุญล่องบาปอะไรเหล่านะั้นมันก็ค่อยหมดปัญหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะตายจริงๆมันก็ไม่เห็นมีปัญหา เพราะการจะตายแล้วก็ทราบชาติว่ามันมีกี่ครั้งมันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรจิตวิตรู้วิจารครัวจะไปล่มจมเสียหายที่ไหนมันก็รู้ตัวได้ชัดิมันไม่วิรู้วิจารไม่ก่อความเดือดร้อนให้ตจ้ของหากมันทนไม่ไหวมันจะไปจริงก็ปล่อยให้มันไปตามเรื่องสติธรรมดา เกิดจิตใจที่เจริรับความก็นทุกระเทือนเกือดร้อนเสียใจมันก็ไม่เห็นห่ปล่อยวา ง, ยงตามความปรินของมั น, อ, น, นอารมณ์ที่เคยเป็นมาแต่ก่อนมันก็เห็นหนเมื่อวานนี่มันก็กแสดงออกแน่นของความตายอราได้เห็นชัดๆว่าเรื่องหัวใจวายนี่เป็นอย่างนี้เอง คือเหมือนกับมันติดตันเข้าในหมอกหัวใจหาทางเดิอนออกเข้าเขากันไม่ได้ก็กลัคือกลับเข้าไปเลยทันทีทันใดเพามันมันปิดอยู่นั่นไม่นานกว่า น, นั่นมันก็จะต้องล้มถ้ายืนอยู่ถ้านั่งก็ต้องล้มเพราะมหมดกําลังที่จะต้านทานกันเลยต้องรี่ไปนั่งซะก่อน เพราะตอนท่านมันยังมันยังไม่คลี่คลายอะไรออกเลยรูัวว่ามันจะลบตอนดีม่มอง น, นั้นเลยรีบไปนั่งแล้วกำหนดจิตคือทำความรู้สึกอยู่ในความเป็นอันนั้นมันจะทำหน้าที่อะไรต่อไปจะหนักไปหรือเบาลงไปจิตมันก็ทราบว่ามันอยู่ทัดๆสังเกต ด, ดูว่าความเป็นอันนี้มันเป็นเรื่องของธาตุของขัน คือความไม่สะดวกของของส่วนหนึ่งในร่างกายของเรานี่ที่แสดงตัวให้เห็นชัดๆเป็นลักษณะจะ ต, ตายเราก็ทราบมันทัดเจ็บจนกทางมันคลี่คลายออกไปแล้วก็ทราบม็นทราบอยู่ทุกระยะนั่นเองอืม ป, ประการหนึ่ง สมมติว่าเราไม่ได้อบรมทางด้านจิตใจมาเลยไม่ว่าใครนะความเป็นเท่นั้นม่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องตายจะต้องเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดจิตใจนี่แหละจะเป็นโรคอันใหญ่ยิ่งกว่าโรคที่มันแสดงขึ้นในขนาดนั้นเพราะจิตใจเป็นเจ้าตัวการแห่งความคิดความปรุงความคาดความหมายความดน้นความเดาคิดร้อยแปดันประการซึงโดนแน่ต้องตัดเป็นฆ่าศึกต่อตนเองนั่นแหละเรียกว่าโรคอันหนึ่ง ที่อาศัยโรคภายในกายเกิดขึ้นแล้วโรคเสียใจก็แสดงตัวขึ้นภายในใจโรคนี้เลยกลายเป็นโรคหนักไปแทนที่ความอยากให้มันหายความกรธกรวายอยากให้ทุกข์ดับไปอยากให้ร่างกายปกติไม่อยากตายเลยกลายเป็นเรื่องซ้ำเติมกันลงไปเพราะใจเสียกําลังใจเสียหลับโรคภายในใจมันก็หนักขึ้น โรคอันนั้นก็หนักอยู่แล้วกํำลังใจที่จะช่วยพยุงโรคอันนั้นให้ค่อยบรนเทาลงไปมันไม่มีมีแต่เป็นเรื่องซ้าเติมกันคือโรคใจกลายเป็นเรื่องโรคซ้าเติมกับโรคอั น, นั้นแล้วมันอาจผ่านไปได้อาจตายได้นะนี่คโรคใจชนิดนี้ไม่เกิดอันนั้นมันก็มีอะไรไปซ้ำเติม หากว่ามันจะหนักมันก็หนักของมันเองคือไม่มีอะไรไปช่วยไปซ้ําเติมให้มันหนักขึ้นคนนั้นโรคทางใจไม่มีมันก็อาจหายถ้ามันไม่เหลือกําลังของมันแต่เหลือกาลังจะทนอยู่ได้จะต่อไปไม่ทนอยู่ต่อไปไม่ได้มันก็เป็นไปของมันและติดก็ไม่ยุ่ง พอโรคไทยจิตไม่มีความกำเริบของจิตความเดือดร้อนบุ่นวายของจิตไม่มีมันก็เป็นแบบธรรมดาธรรมดาไปเสียไปกไป็ไปอยู่ก็อยู่ก็กกเทนอันนี้เราไม่ได้ตั้งความคาดความหมายเอาไวนะ้จิตเมื่อเราได้อบรมตามลุงฝูนหรือได้อบรมเต็มที่แล้ว มันหากเป็นธรรมชาติของจิตที่จะรับทราบสภาวะธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนโดยหลักธรรมชาติของมันเองไม่เป็นภาระที่จะต้องบังคับบัญชาให้จิตรับทราบรับเห็นช่วยพยุงทานั้นทานนี้ตัวจิตจะเดือดร้อนเจียใจนี้มันก็ไม่มีถ้ามันต่างอันต่างจิงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันอนทุกข์กษัตริย์ ที่เป็นอยู่ภานกายที่เรียกว่าโรคในกายเช่นโรคหัวใจที่เขาให้ชื่อว่าหัวใจวายอย่างนี้ก็คือโรคอันหนึ่งของมันมันก็หมุนตัวของมันไปตามความกินของมันจิตก็ทราบทุกระยะที่มันแสดงความกินให้จิตทราบจนว า, าสุดท้ายความกินก็เลิกเลิกลายกันไปเหลือนั่นก็นลงประทานเสีย อันนี้เป็นความจริงของตัวยังไงก็ไปาาตามที่ของตัวเสื้อันไม่เกี่ยวข้องกันผลของการอบรมจิตเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้อบรมเลยมันเดือดร้อนมากเวลาเป็นอะไรมานี่โรคจิตนั่นอ่ะมันมากกว่าโรคอื่นก ว, วาก歪แล้วสั่งแล้วสาย เลือเนื้อร้อนใจยุ่งไปหมดเป็นการเสริมโรคภายในการให้กำเริบรุ่มแรงมากขึ้นจึงสอนให้อบรมสร้างคุณงามความดีไว้เพื่อเป็นเครื่องพยุงเป็นเครื่องพึ่งพิงของใจเพราะใจนิ่แน่อยู่แล้วร้อยเปอร์เซนต ว่าจะต้องพึ่งต้องเกาะเมื่อตัวเองยังช่วยตัวเองหรือเป็นตัวของตัวไม่ได้อย่างเต็มภูมิแล้วยังจะจะต้องอาศัยความดีทั้งหลายที่สร้างมานี้เป็นเครื่องยึดเครื่องหนีเป็นเครื่องสวยเป็นเครื่องพาอยู่พาไปทายรับความสุขความสบายไม่มีสิ่งอื่นใด น, นอกจากกุศลที่สร้างเอาไว้นี้ที่จะเป็นมิจฉาหายอันพึ่งเป็นเพิ่ ง, ง, งตายได้อย่างแนบแน่น จนเปล่าว่าจิตจะเป็นตัวของตัวได้โดยสมบูรณ์ดังพระอรหรันต์ท่านนั่นหมายถึงท่านเป็นท่านโดยสมบูรณ์แล้วส่วนพุชน์คุณงามความดีทั้งหลายที่เป็นเครื่องสนับสนุนก็เป็นเหมือนบันไดพอขึ้นถึงที่แล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปจิตเมื่อผ่านพ้นโลกสมมุติแหมดทั้งบุญทั้งบาปแล้ว คำวาบุญก็หมดปัญหากันไปที่จะต้องพยุงจิตดวงนั้นอย่างไรอีกนั้นไม่มีเพราะจิตดวงนั้นได้ถึงความเป็นตัวของตัวลิกลับพ้นไปตามความประสงค์แล้วนะอํานาจของกุศลที่ส่งจิตให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่อํานาจของอย่างอื่นอำนาจของกุศลที่เราสร้างมาด้วยวิธีการใดๆก็ตาม ด้วยการให้ทานก็นตามรักษาศาีลก็ตามภาวนาก็ตามรวมลงแล้วเป็นก้อนบุญเป็นเครื่องสนับขนุนจิตใจเป็นเครื่องยึดของใจเป็นเครื่องหนุนใจให้หลุดพ้นไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงหลุดพ้นเป็นภูมิแล้วอัคำว่าบุญก็หมดปัญหาไปเพราะภูนั้นเต็มภูมิแล้วไม่ต้องการอะไรกับโลกสมมุติอีกแล้ว นี่แหะพระพุตธเจ้าท่านสั่สอนสัตว์โลกการสร้างการบําเพ็ญกุญงาณความดีทั้งหลายท่านก็ทรงสร้างทรงบเพ็ญมาแล้วอย่างเต็มกําลังความสามารถของพระองค์เว ล, ลาพ้นแห่งความดีทั้งหลายที่สร้างมาหนุนพระองค์ก็หนุนให้ถึงความพ้นทุกพระจักรพระไทยจึงแนะนําอุบายวิธีนั้น ทั้งฝ่ายเหตุคือการบำเพ็ญทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่พระองค์เสวยมาสั่งสอนสาตร์โลกมีพยายามเดินดำเนินเดินตามท่านอย่างน้อยก็มีความผาสุกร่มเย็นเป็นสุขติอันเป็นที่หวังของใจมากยิ่งกว่านั้นก็ถึงความหลุดพ้นหายห่วง เราที่ว่าพุทธบริษัทคือรูปต้าเหก่ากของพระพุทธเจากก้าอยพึงสนใจในการปฏิบัติแก้ไขหิบอบำรุงตนเองเรื่อคุณงามความดีทั้งหลายในเวลาที่เป็นการอันควรเป็นฐานะที่จะพึงทำได้อยู่เช่นนี้รับก่อยให้เวล่ำเวลาเสียไปเปล่าๆโดยที่เลกมาหาเลกหาเรื่อง สุดลกออกจากแนวทางที่ดีงามเพราะทว่าด้วยเรื่องนั้นต้องเป็นค่าสุกกับความดีเสมอจต้องหาอุบายวิธีจีดกันซึ่งเราก็เคยเชื่อมาแล้วจนสองใจอาจจะไม่ได้คิดว่าอุบายต่างๆที่สุดลกเราให้หนีจากการบาเพ็ญกุงามความดีหรือให้พลากจากการบาเพ็ญคุผลในวันหนึ่งเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งไปนั้น ว่าเป็นของจริงก็ได้แต่ความจริงเป็นคนมายาของที่เด็กซึ่งมันเคยหลอกเราในฐานะที่ควรทำได้นี่เราอยากให้เสียเว ล, เวลาสร้างไปจน ก, กระทั่งพอก็ทราบเองเราจะต่คอยให้คนอื่นเขาสมบุรณ์สมบูรณให้เรา เป็นของไม่แน่นอนนะเช่นเดียวกับเราไปอยู่ในป่าถ้าสถานที่เราอยู่นั้นเป็นที่แน่นอนซึ่งผู้ที่จะตามส่งอาหารว่านข่าวไปให้เราทราบชัดว่าเราอยู่ที่นั่นมันก็ยังดีเวลาเขาตามส่งก็จะไปเจอตัวเราที่เราไปอยู่ไม่เป็นที่เป็นฐานนั่นสิในทราบจะ ใหเขาไปค้นหาที่ไหนถึงจะเจอเราเมื่อไม่เจอแล้วอาหารวันคาที่เขานำไปส่งเรานั้นจะไปไหนเขาก็ถือกลับมาเพราะไม่มีใครรับก็ เ, เป็นของเขาอยู่โดยตรงแต่ว่ามีผู้รับไปเจอเราที่อยู่ในป่านั้นเราก็ได้รับเขาก็ได้รับการส่งสนบุญส่วนกุศลให้ทิศส่วนกุศลให้ ทีที่ย่องรับดับไปก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเป็นของไม่แน่นอนหมูที่เส่งกุศลไปถึงปนั้นไม่ถึงเสียเพราะไม่ใช่ฐานะที่จะรับได้กุศลนั้นจะเป็นของใครก็เป็นของเจ้าของเขาที่ผู้ทิพย์นั้นเสียเราก็ท้องแห้งมันไม่แน่สิ่งที่แน่ก็คือเราทำเองให้เห็นประจักษ์่เนี ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีพากไปไหนไม่มียั่วไหลไปไหนตายแล้วก็เป็นนิมนต์พระปกุศลาธรรมมาให้ยุ่งเป็นไม่เนี่เหนื่อยเลยเทาอะไรเพ่วนผู้ที่ทาบุญธรรมบุญลนิมนนพระมาปกุศลาธรรมถาวายปัจจัยพยาทานนั้นเขาก็ได้บุญไม่ได้ปฏิเสธเรื่องนี้ แต่ผู้ตายยิ่งคือได้หรือไม่ได้ไปตกอยู่ในป่าไหนก็ไม่รู้กุศลธรรมมาก็จะถึงยังไม่ถึงก็อยู่ในฐานะถึงจะถึงได้ถ้าไม่ใช่ฐานะก็ถึงไม่ได้เนี่ยเช่นเดียวกับคนที่ตามไปส่งอาหารกันในป่าซึ่งไม่มีจุดหมายปลายทางของผู้ไปอยู่ป่านั่นเองผู้ส่งื่อตามหาไม่เจอก็นํากลับมาบ้านเท่านั้นถี่แน่ใจจริง ก็คือว่าเราเอาติดตัวเราไปพร้อมเสียมีอะไรเราเตรียมไปพร้อมจะไปตรงไหนป่าไหนก็ไปได้สบายถ้าเราเตรียมอาหารไปพร้อมแล้วนี่ใครจะตามส่งหรือไม่ตามส่งไม่มีปัญหาแต่เขาตามส่งเอาส่วนของเราที่มีแล้วก่อแไปอาศัยเขาเอาไปให้อีกก็ยังได้เพิ่มเติมอมีก น, นะเรียวกว่าไม่ผิดไม่พลาดแหละเพราะเราเอาติดตัวเราไปด้วย นี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลในโดยลําพังเราตั้งแต่ในฐานะที่เป็นกระได้อยู่คือเวลายังมีชีวิตอยู่นี้อย่างเราสร้างพยายามทํำให้มันติดจิตติดใจของเราติดตัวเราไปพร้อมเพื่อเขาที่ส่วนกุศลถึงเราเราก็ได้รับเป็นสองภาคถ้าไม่ถึงเราก็ส่วนของเราก็พอคินแล้วนะเอาไว้จะถึงสอนอจเชวัชกิ จ, จมาตัดปัง โคชัญญามานังสุเวนะหิโนสังคารัเ ต, เตนะหนาเสซเนมะตินาความเพียรที่จะพึนได้พึงถึ ง, ถงในทางบุญสนควรกระทําเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าขาดวันตัะการทุ่งท่นบอกเพราะความตายนั้นไม่มีเรือ่องเวลาไม่นัดไม่หมายกับใครทั้งนั้นเมื่อ ถึงการอันควรแล้วก็เป็นไปตามนั้นเลยเห็นว่าจะเอาอะไรมาบังคับบัญชาจะต้านทานสู้พยายามมตาิราชไม่ได้เมื่อไปอย่งนั้นจึงไม่ควรนอนใจพยายามทำเสียตั้งแต่มีชีอยู่นี้นักท่านสอนอยังไงท่านมาสอนให้คนประมาตายแล้วทาบุญเขาทำบุญหากันยังได้ว่าเฉยๆด้วยความขี้เกียจ อาศัยแต่คนอื่นยังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยเขาตายแล้วกายังจะอาศัยเขาทั้งที่ตัวสามารถทําได้อยู่มันไม่สมควรถึงรีบ ท, ทําเสียตั้งแต่แบบนี้แต่พราะอย่างยิ่งการภาวนาเป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งหมดทานกุศลที่เกิดจากทานจากศิ่อะไรรวมเพราะนั้นหมดกุศลน้อยใหญ่รวมข้อกิดต่อภาวนานั่นเป็นแหล่งใหญ่สำหรับรับกุศลทั้งหลายท่านสอนให้อบรมจิต ภาชนะอันใดโตก็คือจิตเหมาะสมอย่างดีเบรมจิตให้ดีก็เหมือนกับเราตกแต่งภาชนะไว้ให้ดีเป็นที่รวมแห่งกุศลทาจิตใจให้มีความสงบเยอกเย็นจิตที่มีความเดือดร้อนมากน้อยมันขึ้นอยู่กับความคิดความปรุงขึ้นรบกวนจิตใจเราจึงต้องระงับด้วยการภาวนาไม่ให้มันคิดมันปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายในสิ่งที่เคยเป็นข้าศึก เคยทำจิตใจของเราให้เดือดร้อนเราพยายามระงับอารมณ์นั้นด้วยบทภาวนาของเราถึงจะยากลำบากเราก็บังคับเพราะอยากสงบอยากสบายก็ทนต่อความบังคับไม่ได้ใจก็สงบได้ก็สบายกำหนดอน า, านะ้าจิตก็ให้รู้ลง เข้าลมออกรู้อยู่นั้นแตไปคิดเรื่องอะไรอย่ไปเสื้อดายความคิดนั่นคิดนี้ในขณะที่พรวนาคิดแล้วมันก็ได้เท่าคิดหนึ่งนไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรแต่คิดเกิดคิดคำว่าพุทโธพุทโธอยู่นนั้นจะมีเป็นความคิดที่เป็นธรรมเป็นผลเป็นประโยชน์ส่วนพุทเข้าโธออกเวลาลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เป็นความคิดที่ถูกต้อง ใจขอเราก็สงบร่มเย็นใจสงบได้เย็นได้สบายได้เดือดร้อนได้เพราะอารมณ์กวนให้เกิดความเดือดร้อนอารมณ์ก็คือความคิดต้องจะของเองสงบอารมณ์ได้ใจก็เย็นเรื่องก็มีทั้งนั้นเมื่อใจเย็นนอะไรก็เย็นไปหมดนะถ้าใจร้อนทั้งโลกเหมือนจะร้อนไปหมดเพราะความสำคัญอยู่กับใจ เลยไม่ปรากฏว่าใครจะมีความเย็นเลยเมื่อเราร้อนเต็มที่แล้วเหมือนกันโลกทั้งโลกนี้เป็นไฟไปด้วยกันเมื่อใจของเราเย็นแล้วก็เหมือนกันโลกทั้งโลกนี้เย็นไปด้วยกันกับเราความกิงก็ผู้ร้อนก็ร้อนผู้เย็นก็เย็นผู้ทุกข์ก็ทุกข์ผู้สุขก็สุขเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตรงนี้เป็นความวรู้สึกของใจให้พากันอบรมภาวนาเรื่องตายนะมันตายด้วยกันทุกคนเลย พยายามมืาดตีกราไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดจ่ว่างไงวันไหนเขาจะมาเอาตัวไป็เหมเืออีกเรื่องมีเรื่องขวนขวายบเถึงกุศลยิ่งเลยภาว น, นาให้มีสติสตังโดยแล้วเวลาความตายมาถึงตัวจริงก็มันยิ้มรับกันเป็นไรมีแต่ความสสาวโศกเศรา้าโศกาบรรดาโลกทั้งหลายขณะที่จะตายผู้มีธรรมผู้สมบูรณ์ด้วยสติปัญญา ทำหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มที่แล้วจะไม่มีความโศกเศร้าโศกะอะไรกับสิ่งเหนี้เห็นเป็นคติธรรมดาธรรมดาธรรมดาเมื่อยังอยู่ก็ยังมีอะไรกินไปถึงเวลาจะไปแล้วเหนื่อยออกไปก็ไปอ ม, มีอยู่ต้องมีไปมีมาต้องมีไปมีเกิดต้องมีตายมันเป็นของคู่กันจะไปแยกย้ายจากกันไม่ได้เล่นเสียแต่ไม่เกิดเนี่ยเท่านั้น ความตายจึงหาที่ตามมาไม่ได้เพราะไม่มีร่องรอยให้เป็นมาสาเหตุคือความเกิดไม่มีความตายเพิ่มเป็นตัวผลจะเอามาจากไหนหาที่ตามมาไม่ได้ท่านจทีส่นาณดูข้างนักทีอาชาตัดสักทุกย่อมไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดงานแต่นั้นละเอละเอืว่างเหนื่อยเกินงานา